ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญา ความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณดูก่อนอานน์ผู้โคตมะโคตท่านจงเข้าไปสู่ชาติแห่งโคลไม้จงหน่วงนิพพานไว้ในหทยัยแล้วจงเพ่งฌานและอย่าประมาทการใส่ใจถึงประชุมชนจะทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านได้ ก็ชนเหล่าใดเข้าถึงฌานไม่ประมาทและกิเลสได้ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งประดุดปลาทำลายขายได้แล้วฉะนั้น mm hmm. เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคย า, ยานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากภาวะ เม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจัจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือรอยนิ้วหัวแม่มือที่ด้ามมีด ย่อมปรากฏแกนายช่างไม้หรือลูกมือนายช่างไม้แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้เมื่อวานสึกไปเท่านี้หรือเมื่อวานซืนสึกไปเท่านี้ที่จริงเมื่อด้ามมีดสึกไปเขาก็รู้ไปนั่นเทียวชั้นใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อภิกษุมันเจริญภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้เมื่อวานสิ้นไปเท่านี้หรือเมื่อวานซืนสิ้นไปเท่านี้แต่ที่จริงเมื่ออาสวะสิ้นไปภิกษุนั้นก็รู้ว่าสิ้นไปนั่นเทียว บุคคลมีกายอันสงบแล้วมีจิตหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งมีสติไม่มีความอาลัยได้รู้ทั่วซึ่งธรรมมีปกติเพ่งอยู่ด้วยฌานที่สี่อันหาวิตกไม่ได้ย่อมไม่กำเริบไม่ซ่านไปไม่เป็นผู้ย่อท้อ เธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยการอันควร ผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแล้วพึงกําจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกสุพึงคบธรรมเครื่องเป็นผู้ตื่นภิษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ชานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชลาได้แล้ว พึงถูกต้องฌานอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แลผู้ฉลาดในการถือเอาซึ่งลิมิตแห่งภาวนาจิตสเสวยรสแห่งวิเวกเพ่งฌานฉลาดในการรักษากรรมฐานมีสติตั้งมั่นพึงบรรลุนิรามิสุขอย่างแน่นอน ภิกษุทั้งหลายไม่สำรวมกายวาจาและใจพากันเที่ยวไปสู่ชนบทต่างๆทอดทิ้งสมาธกิการเที่ยวไปสู่แคว้นต่างๆจกสำเร็จประโยชน์อะไรเล่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงกำจัดความแข่งดีอย่าให้มิจฉาวิตกและกิเลสมีตันหาเป็นต้นครอบงำพึงเจริญฌาน ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายแสงสว่างสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไฉนคือแสงสว่างแห่งพระจันทร์หนึ่งแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์หนึ่งแสงสว่างแห่งไฟหนึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาหนึ่งดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายแสงสว่างสี่ประการนี้แลแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวว่าปัญญานั้นแหละประเสริฐสุดดุจพระจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลายฉะนั้นศีล ส, สิริและธรรมของสัตบุรุษย่อมเป็นไปตามบุคคลผู้มีปัญญากำลังปัญญาบัณฑิตกล่าวว่าเป็นกำลังประเสริฐยอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้งหลายเพราะว่า บัณฑิตอันกำลังปัญญาสนับสนุนแล้วย่อมได้ความเจริญถ้าบุคคลมีปัญญาซามแม้ได้แผ่นดินอันสมบูรณ์เมื่อเขาไม่ปลาธนาคนอื่นพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาก็ข่มขี่แย่งเอาแผ่นดินนั้นเสียสัตว์ทั้งหลายจำพวกหงส์นกกเรียนนกยูงช้างเนื้อ ฟานทั้งหมดย่อมกลัวราชสีประมาณในกายไม่มีชั้นใดในมนุษย์ทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าคนหนุ่มมีปัญญาเขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในมนุษย์เหล่านั้นไม่เหมือนคนพาลซึ่งถือร่างกายเป็นใหญ่ดังนี้บรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ เพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายคนผู้อิ่มด้วยปัญญาตันหา ย, ย่อมกระทำให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกผู้ตั้งมั่นลงแล้วในนามรูปเพราะความเสื่อมไปจากปัญญาโลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมสำคัญว่านามรูปนี้เป็นของจริง ปัญญาอันให้ถึงความจำแรกกิเลสนี้แลประเสฐที่สุดในโลกด้วยว่าปัญญานั้นย่อมรู้ชัดโดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติและพบปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยข้อความที่ได้ศึกษาเร่าเรียนมาปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มภูลเกียรติคุณและชื่อเสียงคนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เมื่อทุกเกิดขึ้นย่อมได้รับความสุขคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนไว้ด้วยต้นทุนแม้น้อยดุดคนก่อไฟน้อยๆให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต และไม่กระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นใดอันประกอบด้วยโทษกระทำแต่กุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าบุรุษได้ตรัสจักสุสามอย่างนี้จักสุสามอย่างนี้เป็นชไหนคือมังสะจักสุหนึ่ง ทิพจักสุหนึ่งปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยมหนึ่งความบังเกิดขึ้นแห่งมังสะจักสุเป็นทางแห่งทิพจักสุเมื่อใดญาณบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะการได้เฉพาะซึ่งปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยม ย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้บุตรภรรยาทรัพย์และแวนแควนก็เช่นกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์และย่อมไม่ได้กาจัดชาราได้ด้วยทรัพย์นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทั้งคนมั่งมีคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพานทั้งนักปราศก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนพานย่อมนอนวาดอยู่เพราะความที่ตนเป็นคนพานส่วนนักปราศอันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาป ก, กรรมเพราะความหลงในพบน้อยและพบใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมายอมเข้าถึงคันบ้างปราโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นยอมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงคันและปราโลก หมูสัตว์ผู้มีบาปรมรละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนในโลกหน้าฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้นิพพาน บุคคลผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นแน่แท้ส่วนบุคคลผู้ไม่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟังมาแล้วเป็นเครื่องเจริญชื่อเสียงและความสรรเสริญนราชนในโลกนี้ผู้ประกอบด้วยปัญญาแม้ในเวลาที่ตนตกทุกข์ก็ยอมได้รับความสุข ความเสื well ่อมญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมยศมีประมาณน้อยเมื่อความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดความเสื่อมญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมยศมีประมาณน้อยความเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้เสื่อมจากอริยปัญญาชื่อว่าเสื่อมสุดสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวบุคคลผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ส่วนบุคคลถึงจะมีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้ปัญญา บุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้วยหูย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงด้วยจักสุแต่นักปราชย์ย่อมไม่ควรละทิ้งสิ่งทั้งปวงที่ได้เห็นได้ฟังมาแล้วผู้มีปัญญาถึงมีตาดีก็ทำเหมือนคนตาบอดถึงมีหูดีก็ทำเป็นดังคนหูหนวกถึงมีปัญญาก็ทำดังคนใบถึงมีกำลังก็ทำเป็นดังคนทุรพล แต่เมื่อประโยชน์เกิดขึ้นถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้ตายก็ยังทำประโยชน์นั้นได้คนโง่เขลามาประชุมกันแม้ตั้งพันคนขึ้นไปพวกเขาไม่มีปัญญาพึงคร่ำควรวนอยู่ตลอดร้อยปีผู้ใดรู้แจ้งเนื้อความแห่งภาสิทธ์ผู้นั้นเป็นบุรุษ มีปัญญาคนเดียวเท่านั้นประเสริฐศัตรูผู้ประกอบด้วยปัญญายังดีกว่ามิตรผู้ไม่มีปัญญาจะดีอะไรคนมีปัญญาน้อยได้รับความสุขแล้วย่อมมัวเมาแม้ถูกความทุกข์กระทบแล้วย่อมถึงความหลงอันสุขทุกข์ที่จรมากระทบเข้าแล้วย่อมวันไหว ดุดปลาที่ดิ้นรนอยู่ในที่ร้อนฉะนั้นคนโง่ถึงจะมีกำลังก็หาอย่างประโยชน์ให้สำเร็จไม่ได้ซับมายด้วยกรรมอันร้ายแรงนายนิรยบาลทั้งหลายย่อมฉุดฆ่าเอาคนโง่ผู้ไม่ฉลาดครั่มครวนอยู่ไปสู่นรกอันร้ายกาดคนโง่หาปัญญามิได้ย่อมกล่าวมุสา เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหรือแม้แห่งตนคนโง่นั้นย่อมถูกนินทาในท่ามกลางบริษัทแม้ภายหลังเขาก็ต้องไปสู่ทุกขติคนโง่ถึงจะมียศก็เป็นทาของคนมีปัญญาเมื่อกิจการต่างๆเกิดขึ้นคนฉลาดย่อมจัดแจงกิจอันละเอียดใดคนโง่ย่อมถึงความหลงไหลในกิจนั้น ทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาทำสี่ประการเป็นชะไหนคือการคบสับบุรุษหนึ่งฟังคำสั่งสอนของท่านหนึ่งทำไว้ในใจโดยแยบคายหนึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงจะทำความเจริญก็ไม่สามารถจะนำความสุขมาให้ผู้มีปัญญาสามย่อมทำประโยชน์ให้เสียคนบางคนไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่อาศัยผู้เป็นผระหูสูรผู้ตั้งอยู่ในธรรมไม่พิจารณาเหตุผลย่อมไม่ได้บรรลุปัญญาบุคคลควรครบหาท่านผู้รู้ทั้งหลาย ละเอียดละออนเป็นผ้าหูสูดพึงเป็นทั้งนักเรียนและไต่ถามพึงตั้งใจฟังคำสุภาษิตโดยเคารพ น, นรชนทำอย่างนี้จึงจะเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั้นย่อมพิจารณาเห็นการมาคุณทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นโรคผู้เห็นแจ้งอย่างนี้ย่อมละความพอใจในการมทั้งหลาย อันเป็นทุกข์มีภัยใหญ่หลวงเสียได้ผู้นั้นปราศจากราคะแล้วกำจัดโทสะได้พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณงดอาชญาในสัตว์ทุกจำพวกแล้วไม่ถูกติเตียนย่อมเขาถึงแดงพรม ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ในอริยสัจสีเหล่าไหนาคือในทุกขอริยสัจในทุกขสมุทัยอริยสัจในทุกขนิโรธอริยสัจและในทุกขนิโรธคารมินีปฏิปทาอริยสัจ ท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาบุคคลไม่รู้ชัดอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญาสามดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลคว้างขึ้นไปบนอากาศแล้วบางคราวเอาโคนตกลงมาก็มีบางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มีบางคราวเอาปลายตกลงมาก็มีชั้นใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีนิวรคืออวิชามีตันหาเป็นเครื่องประกอบได้แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลก บางกล่าวจากปรโลกมาสู่โลกนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันข้อนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นอริยสัตว์สี่เพราะไม่เห็นอริยสัตว์สีตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานอริยสัตว์สี่เหล่านี้ เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตันหาที่จะนำไปสู่พบถอนขึ้นแล้วมูลแห่งทุกตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีชนเหล่าใดย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับทุกโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและไม่รู้ชัดซึ่งทางให้ถึงความสงบทุกชนเหล่านั้น เสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตไม่ควรเพื่อกระทําที่สุดทุกเข้าถึงชาติและชรลาโดยแท้ส่วนชนเหล่าใดย่อมรู้ชัดซึ่งทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและรู้ชัดซึ่งทางให้ถึงความสงบทุกชนเหล่านั้นถึงพร้อมแล้วด้วยเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตต ควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข์ไม่เข้าถึงชาติและชาลาดูกนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมาทิฐิเป็นชไหนความรู้ในทุกข์ในทุกขะสมุทัยในทุกขะนิโรธะ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 ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไนเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมากรรมันตะเป็นไงเจตนาเครื่องงดเว้นจากปานติบาต จากอธินาทานจากอพรมจันนี้เรียกว่าสัมมากรรมมันตะดูกนพิสุจน์ทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไนอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้และการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสั ม, มาวายามะเป็นชนไหนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกติสนธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกติสนธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นพยายามปรารพความเพียนประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพิ่มพูนไพรบุ์เจริญบริบู์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นชนไหนพิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียนี้เรียกว่าสัมมาสติดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นช่นไหน ทิกสุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบไป มีปิติและสุขเกิดขึ้นแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามากายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุทะฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสทุมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่งนี้ คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำโสระภูแม่น้ำนาทีทั้งหมดนั้นไหลไปสู่สมุทรหลั่งไปสู่สมุทรบ่าไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิสษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปด ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายหม้อที่ควา่าย่อมทำให้น้าไหลออกอย่างเดียวไม่ทำให้กลับไหลเข้าแมชันใดภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบได้องค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์แปดยอมระบายอักษรธรรมอันลามกออกอย่างเดียวไม่ให้กลับคืนมาได้ชั้นนั้นเหมือนกันดูก่อนพราหมณ์ชั้นนั้นเหมือนกันในเมื่อ น, นิพพานก็ดำรงอยู่ทางไปนิพพานก็ดำรงอยู่เราผู้ชักชวนก็ดำรงอยู่ แต่ก็สาวกของเราอันเราโอวาสสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียงส่วนน้อยยินดีนิพพานอันมีความสำเร็จร่วงส่วนบางพวกก็ไม่ยินดีดูก่อนพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทางให้ คนพานย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่ดังนี้ตนนั่นแลย่อมไม่มีแก่ตนบุตรทั้งหลายจะมีมาแต่ที่ไหนทรัพย์จะมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดพึงตั้งกายคตาสติไว้มั่นแล้วเนือ ง, นงในการทุกเมื่อว่า อะไรอะไรอันพ้นจากขันธ์าปัญจกะไม่พึงมีอะไรอะไรที่ชื่อว่าเป็นของเราก็ไม่พึงมีอะไรอะไรที่ชื่อว่าตนอันพ้นจากขันจากไม่มีและอะไรอะไรที่เนื่องในตนจากไม่มีแกเราผู้นั้นมีปกติอยู่ด้วยอนุปุภวิหาระตามเห็นอยู่ในสังขาร น, นั้นพึงข้ามตัญหาได้โดยการเกิดขึ้น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 นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เร า, านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามความเป็นจริงเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มี รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงไม่มีอหังการมามังการและมานานุใสในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพนิมิตภายนอก สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประ ง, งับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขดังนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังมาไม่ถึง ทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ส่วนเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและบิน ญ, ญาณนั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนราหุนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่ทราบพระอรหันต์นั้นย่อมไม่ปราถนาความหมดจดด้วยมากอื่นย่อมไม่กำหนัดย่อมไม่คลครกำหนัดเลย ดูก่อนยอมเทพภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วภิกษุนั้นย่อมทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครั้นทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกําหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกําหนดรู้ทำทั้งปวงแล้ว เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความนายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นในสิ่งอะไรอะไรในโลก เมื่อไม่ยึดมัน่นยอมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ดูก่อนจอมเทพกล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แล ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหามีความสาเร็จล่วง่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วง่วนเป็นพรหมจารีล่วง่วนมีที่สุดล่วง่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเวทนาสามเป็นไนเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและ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 จิตของท่านร่มร้อนเพราะสัญญาอันวิปลาสท่านจงละเว้นนิมิตอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะเสียท่านจงเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวนโดยเป็นทุกข์และอย่าเห็นในความเป็นตนท่านจงดับราคะอันแรงกล้าท่านจงอย่าถูกราคะเผาผลานบ่อยๆท่านจงเจริญจิตในอสุภกรรมาฐาน ให้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวตั้งมันด้วยดีเถิดท่านจงมีกายะขะตาสติท่านจงเป็นผู้มากด้วยความนายท่านจงเจริญความไม่มีนิมิตและจงถอนมานานุใสเสียเพราะการรู้เท่าถึงมานะท่านจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปดังนี้พิสษุ์ทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราตูกนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นภายในหรือมีภายนอกก็ตามอยาบหรือละเอียดก็ตามเร็วหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอริยสาวก ผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนดเพราะคลายกำหนดจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พระมจรจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำได้เสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นท่านทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แ, แก่ท่านทั้งหลายสิ้นกาลนานดูกนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งอะ ah? am ไรเล่าไม่ใช่ของท่านทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของท่านทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของท่านทั้งหลายสังขารไม่ใช่ของท่านทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูป จงละเวทนาจงละสัญญาจงละสังขารจงละวิญญาณนั้นเสียเมื่อท่านทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายสิ้นกาลนานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง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 ภิกษุใดรู้ความที่รูปรขันเป็นของละเอียดรู้ความเกิดแห่งเวทนารู้ความเกิดความดับแห่งสัญญารู้จักสังขารโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์และโดยความเป็นอนัตตาภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นชอบเป็นผู้สงบยินดีในสันติบทชำนะมารพร้อมทั้งเสนา ยอมสรงไว้ซึ่งร่างกายมีในที่สุดดูก่อนโมคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมือ่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเถิดจงถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียแล้วพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่เห็น ท่านสาธุชนทั้งหลายเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้จบลงแล้วสาระธรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายขอสารธรรมนั้นจงเป็นกุศลเพิ่มพูนบุญญะราศีประดับทีวีท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกทิพภาราตรีการด้วยเทิญ